ปฏิจจสุบาท ต, ต่อนะ <c oughs> ใกล้จบแล้วสำหรับปีนี้นะก็ถึงหน้า646 <c oughs> ปฏิจจสุบาทคือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นปฏิจจสุบาทแห่งการขาดที่อิงอาศัยสำหรับวิมุตติอนัทสนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทุศิณมีศิณอันวิบัติแล้ว อวิปปติสารนะก็ขาดที่ตั้งอาศัยเวลาเราทุศิลเนี่ยมีศิลวิบัติก็คือผิดศิลอวิปปตอวิปปติสารแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจก็ขาดที่ตั้งอาศัยเพราะฉะนั้นก็คือจะทําให้เราเดือดร้อนใจนั่นเองนะถ้าเราทุศิลเมื่ออวิปปติสารไม่มี ความปราโมทของผู้มีอวิปปติสารอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยก็คือเมื่อความไม่เดือดร้อนใจไม่มีความปราโมทใจมันก็จะไม่มีเมื่อความปราโมทไม่มีปิติของผู้มีปราโมทอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเพราะฉะนั้นเมื่อใจไม่ปราโมทปิติก็จะไม่มีเหมือนกัน เมื่อปิติไม่มีปัสสิของผู้มีปิติอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยพระองค์ก็บอกว่าถ้าปิติไม่มีนะปัสส thi ความอิ่มใจความสงบประนับนะก็ไม่มีเหมือนกันเมื่อปัสสท h ไม่มีสุขของผู้มีปัสสท h อันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย เมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีสุขอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเพราะสุขเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาเมื่อปัสัทธิความอิ่มใจไม่มีความสุขไม่มีจิตก็จะไม่ตั้งมัน่นเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียาถาภูตายานทัศนะของผู้มีสัมมาสมาธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย นั้นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่น <c oughs> การรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ขาดที่ตั้งอาศัยเราก็จะไม่เห็นหรือตามความเป็นจริง <c oughs> เมื่อยถาภูตายานทัศนะไม่มีนิพพิธาของผู้มียถาภูตายานทัศนะอนวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นการเกิดการดับการไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนของ จิตของอารมณ์ของเราเราจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ไหมก็ไม่ได้นิพิทาความเบื่อหน่ายก็จึงไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นเมื่อนิพิทาไม่มีวิราคะของผู้มีนิพิทาอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเพราะนั้นเมื่อความเบื่อหน่ายนะไม่ปรากฏขึ้นแก่เรา การคลายความรักไข่พอใจในสิ่งนั้นคือวิราคะของผู้มีความเบื่อนหน่ายอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยคือมันก็ไม่มีขึ้นมานเมื่อวิราคะไม่มีการคลายความพอใจในขันทั้ง5้านเนี่ยมันไม่มีขึ้นวิมุตติยาทณทัศนะของผู้มีวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเราก็ไม่สามารถเข้าถึงวิมุตติยานทัศนะได้ ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแล้วสเก็ดเปลือกนอกของมันก็ไม่บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็ไม่บริบูรณ์กระพี้ก็ไม่บริบูรณ์แก่นก็ไม่บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใด <c oughs> นดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อทุศิลปมีศิลปอันวิบัติแล้วอวิปปติสารก็ขาดที่ตั้งอาศัย เมื่อวิราคะไม่มีวิมุตติอานุสนะของผู้มีวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยชั้นนั้นเหมือนกันพระมงก็ตรัสเขาก็เลยย่อตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งก็ตรัสเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับการเกิดขึ้นแห่งการขาดที่อิงอาศัย เพื่อนำไปสู่วิมุตติยนัทศนะเพื่อนำไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นมันเริ่มจากการมีการทุศีลก่อนผิดศีลนะนั้นการผิดศีลก็คือเป็นเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามมาจนทั้งไม่ได้มรรคผลนิพพาน ท่นตรัสในยะตรงข้ามดูก่อนพิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัชญะไม่มอีอันนี้ยังในยะเดียวกันนะแต่ตรัอีกมุมหนึ่งเมื่อสติสัมปชัชญะไม่มีฮริและโอตปะของผู้มีสติสัมปชัชชะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยถ้าเราไม่มีการละลึกได้ไม่มีความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อฮิริและโอตปะไม่มีอินทรีย์สังวรของผู้มีฮิริและโอตปะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย <c oughs> <c oughs> เมื่อเราไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปแสดงว่าเราไม่ได้สังวรสำรวมอินทรีย์เมื่ออินทรีย์สังวรไม่มีศีลของผู้มีอินทรีย์สังวร อ, อันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย เมื่อเราไม่สัมรวมอินทรีย์สินนะเราก็จะไม่ดีเมื่อสินไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีสินอวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยจิตก็จะไม่ตั้งมั่นถ้าศินไม่ดีเมื่อกี้พระุทธเจ้าพูดเรื่องศินไม่ดีแล้วไล่มาจนทั้งถึงทำสมาธิไม่ได้แล้วเข้าวิมุตติไม่ได้อันนี้พระุทธเจ้าก็บอกเมื่อสินไม่มีนะก็กระโดดมาสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้นะ เมื่อสมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของผู้มีสมาสมาธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อเราไม่ได้สมาธิเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเมื่อยะถาภูตายานทัศนะไม่มีนิพพิทาวิราคะของผู้มียะถาภูตายานทัศนะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย <c oughs> ความเบื่อหน่าย ในขันทั้ง5้ามันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความเบื่อนายนะเมื่อนิพิทาวิราคะไม่มีวิมุติยนนทัศนะของผู้มีนิพิทาวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยภนะิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแล้วสเก็ตเปลือกนอกของมันก็ไม่บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็ไม่บริบูรณ์กระพีก็ไม่บริบูรณ์แก่นก็ไม่บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปัจจัญะญไม่มีฮิริและโอตปะของผู้มีสติสัมปัชจจญะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยนะไละ่ไปจนถึงวิมุตติยาณัสสะวิมุตติยาทัทสนะก็ขาดที่ตั้งอาศัยเช่นกั น, น อ่ะต่อพระสูตรต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นพระสูตรที่เป็นเรื่องของความสมบูรณ์พระนลนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญศีลอันเป็นกุศลมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสงส์เราทําศีลไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ความมุ่งหมายอะไรดูก่อนอนอนท์ศีลอันเป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายก็คือเมื่อศีลดีเนี่ย จะมีอวิปฏิสารความไม่เดือดร้อนใจเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปฏิสารเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอนนลอวิปฏิสารมีความปราโมทเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายถ้าไม่เดือดร้อนใจก็จะเกิดความปราโมทใจสบายใจขึ้นมาละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความปราโมทเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ ที่มุ่งหมายดูก่อนอนุนความปราโมทมีปิติเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายนะถ้าเราปราโมทใจก็จะมีปิตินะก็ปิติเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอนุปิติมีปัสสติเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายก็ปัสสติเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอนุนปัสสธิมีสุขเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมาย ได้ปราโมทก็ไปถึงปิติได้ปิติก็ไปถึงปัศธิได้ปัศธิก็มีสุขเป็นที่มุ่งหมายก็สุขเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายที่สุด ข, ของการได้สุขเพื่ออะไรเพื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดูก่อนอ น, นุนสุขมีสมาธิเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายอนุนถามต่อก็สมาธิเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอ น, นุ สมาธิมียะถาภูตะญาทัทสนะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายพระนุลถามต่อว่าก็อยถาภูตะญาทัทสนะเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอนุลยะถาภูตะญาทัทสนะมีนิพพิทาเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายพอเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาดูก่อนอนุลนิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายนะ ผูเจ้าก็บอกดูก่อนอนนลนิพิทาวิราคะมีวิราคะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายความเบื่อหน่ายนะมีการคลายความพอใจเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายพระลนถามว่าก็วิราคะเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอนนลวิราคะการคลายความพอใจคลายความพอใจในอะไรก็คือขันธานั่นเองก็จะมีวิมุตติยานัศสนะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมาย ผูเจาก็สรุปไล่ทีดูก่อนอนุ น, น en, ด้วยการอย่างนี้แลศิลอันเป็นกุศลมีอวิปปิสานเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายอาวิปปิสานมีความปราโมทเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายความปราโมทมีปิติปิติมีปสัสสธิปสัสสธิมีสุขเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายสุขมีสมาธิเป็นอนิสงค์สมาธิมียถาภูตะยานัทสนเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายยธาภูตะยานัทส น, นมีนิพพาเป็นอนิสงค์ นิพพทามีวิราคะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายวิราคะมีวิโมตติยานัศนะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอนุนศีลอันเป็นกุศลย่อมยังความเป็นพระอรหันต์ให้เต็มได้โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้นนนอันนี้การที่เราทำศีลดีก็ไม่เสียเปล่าจบไปแค่นี้ก็แล้ว